3. ปัตตวัค 4. วัดสิกะสาติกะศิขาบทว่าด้วยผ้าอาบน้ำฝนเรื่องพระชับขี626ีสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุชาวพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรง อ, อนุญาตภาพน้ําฝนจึงสแสวงหาภาพน้ําฝนก่อนบ้างทํานุ่งก่อนบ้าง <c oughs> เมื่อภาอพน้ําฝนเก่าค่ําคร่าไปแล้วจึงเปลือยกายอาบน้ําฝนบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนัยพวกภิกษุชาวพคีจึงสแสวงหาภาพน้ําฝนก่อนบ้างทํานุ่งล่วงหน้าก่อนบ้าง เมื่อภาพน้ำฝนเก่าค่ํำค่าไปแล้วจึงเปลือยกายอาบน้ำฝนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนี่พวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ